สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลนะครับเราอยู่ใน20กฎทองคำนำสู่ชีวิตที่ดีงามและกลมกลืนสมานฉันท์เราอยู่ในกฎที่11นะครับกฎแห่งก่อนและหลังในวันนี้เป็นพระกัมภีที่เราทั้งหลายคุ้นเคยมากครับมัทธิวบทที่6กข้อ33หลายท่านคงท่องได้นะครับ จงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้พี่น้องครับก่อนและหลังหมายถึง priorities ก็คือการที่เราจะต้องจัดลำดับความสำคัญก่อนหลังอะไรที่สำคัญที่สุดต้องมาก่อนหรือ first thing first และการจัดลำดับการสํความสำคัญก่อนหลังนี่แหละครับทำให้ชีวิตของเรานั้นไม่สับสนไม่วุ่นวาย เมื่อมีอะไรเกิดขึ้นเราจะต้องเลือกเราก็สามารถเลือกได้อย่างถูกต้องและมั่นใจและมาตรฐานแห่งการเลือกนั้นก็มาจากพระวจนะของพระเจ้าครับแน่นอนครับในชีวิตของเรานั้นพระเจ้าต้องมาเป็นที่หนึ่งเสมอสำหรับคริสเตียนนั้นเรารู้ได้เพราะเนื่องจากว่าเรารู้ว่าความสามารถของเรานั้นจำกัดแต่ฤทธิเดชของพระเจ้าไม่จากัด สติปัญญาของเรานั้นจำกัดแต่ว่าสติปัญญาของพระเจ้านั้นไม่จำกัดหลายสิ่งหลายอย่างของเรานั้นจำกัดและถดถอยเสื่อมโทรมลงแต่ว่าพระเจ้านั้นทรงเป็นความจริงที่สมบูรณ์เป็นความสมบูรณ์แบบถูกต้องและสามารถที่จะใช้อ้างอิงมาตรฐานของพระองค์นั้นก็สมบูรณ์คาว่าสมบูรณ์นั้นเรียก ว, ว่าแอบสหลุดก็คือ ความถูกต้องสมบูรณ์พร้อมทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งเป็นอุดมคติไม่มีใครที่สามารถไปถึงความสมบูรณ์และมีความสมบูรณ์เช่นนั้นได้และการจับลำดับความสำคัญก่อนหลังที่พระเยซูได้ทรงกำหนดให้เรานั้น <c oughs> ก็คือให้เราสแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ครับคริสเตียนบางคนนั้นนากับหัวกับหางครับ บอกว่าเรา ต, ต้องใช้รับใช้เงินทองก่อนวัตถุนิยมก่อนแล้วชีวิตกันก็ค่อยๆดิ่งลงไปสู่ความยากจนฝ่ายจิตวิญญาณครับจนกลายเป็นความเสียหายนิยรันดร์การนั่นคือสิ่งที่น่ากลัวครับพี่นงครับพระธรรมเอเซเคียว e เรียกร้องและเสียงของเอเสเคียว e นั้นก็ยังดังก้องอยู่ในหูของเราเอเซเคียว e บทที่33ข้อที่31 เขาแสดงความรักมากด้วยปากของเขาแต่จิตใจของเขามุ่งอยู่ที่ผลกําไรของเขาพี่น้องครับขอบโปรดฟังอีกครั้งครับเขาแสดงความรักมากด้วยปากของเขาแต่จิตใจของเขามุ่งอยู่ที่ผลกําไรของเขาเราควรเรียนรู้ครับว่าให้องค์พระบุญเจ้ามาก่อนขอให้พระเจ้านั้นทรงเป็นเอกเป็นใหญ่ในชีวิตของเรา บางท่านอาจจะถามว่าหลังจากพระเจ้าและต่อจากพระเจ้าพระเจ้ามาเป็นที่หนึ่งแล้วหลังจากนั้นน่าจะเป็นใครคำตอบง่ายๆครับก็คือตัวเราครับตัวเราและครอบครัวของเรานั่นหมายถึงคนที่ใกล้ชิดที่สุดของเราก็คือคู่ชีวิตคู่สมรสของเรานั่นเองถัดไปก็จะเป็นลูกถัดไปก็จะเป็นพ่อแม่หลายคนถามว่าทาไมพ่อแม่ไม่อยู่เหนือเรา ถัดจากพระเจ้าน่าจะเป็นพ่อแม่แล้วมาถึงเราพี่น้องครับโดยความเป็นจริงแล้วเราจะรักตัวเราเองมากที่สุดแน่นอนครับเมื่อเรารักตัวเองมากที่สุดคนคนนั้นเมื่อแต่งงานเขาต้องเป็นเนื้อเดียวกันกับคู่สมรสของเขาเพราะฉะนั้นจากผมและเธอกลายเป็นเราครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราเรียงลำดับความสำคัญก่อนหลังพระเจ้ามาเป็นที่หนึ่ง เราหมายถึงผมและเธอมาเป็นลําดับที่สองหลังจากนั้นก็เป็นผู้ที่เราจะต้องดูแลครับก็คือลูกและพ่อแม่ของเราทั้งสองคนด้วยเหตุนี้เองครับจึงเป็นเหตุที่ทําให้เรารู้ว่าพราะวจนะของพระเจ้า น, นั้นเป็นจริงตลอดกาลก็คือฝ่ายชายนั้นจะละบิดามารดาของตนไปผูกพันอยู่กับภันยานั่นหมายความว่าเขานั้น ได้เรียงลาดับความสัมพันธ์จัดลำดับความสำคัญเหมือนเดิมครับเพียงแต่ว่ามีคนมาอยู่ด้วยกันก็คือคู่สมรสของเขาพระเจ้ามาเป็นที่หนึ่งเราเป็นที่สองและต่อไปก็คือพ่อแม่หรือลูกนั่นแหละครับคือการจัดลำดับความสำคัญครับพี่น้องครับการจัดลำดับความสำคัญอีกแง่หนึ่งก็คือว่าเรา ครอบครัวของเราการรับใช้เครสจักรคำถามก็คือว่าใครมาก่อนกันครับพี่น้องร้าพเจนะของพระเจ้าตอนนี้ชัดเจนครับว่าให้สแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนนั่นหมายความว่าพระเจ้ามาเป็นที่หนึ่งครับและเราครอบครัวของเราเป็นที่สองเครสจักรเป็นที่สหลายคนบอกว่าครอบครัวนั้นก็คือครสจักรเล็ก ถูกต้องครับครอบครัวนั้นคือคริสจักรเล็กๆเพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องแอคทีฟในคริสจักรใหญ่คริสจักรเล็กๆนั้นต้องมาประสบความสำเร็จก่อนแต่นี่คือที่มาของการที่ผู้ปกครองดูแลคริสจกักรหรือผู้นำคริสจกักรผู้รับใช้คริสจักรนั้นจำเป็นที่จะต้องมีครอบครัวที่ดีสักก่อนจำเป็นที่จะต้องปกครองดูแลบ้านเรือนของตนได้ดีนั่นรวมถึงการปกครองดูแลการเป็นผู้นาเรื่องของความเชื่อความศรัทธา เช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นทั้งครอบครัวควรจะต้องมีความเชื่อเดียวกันปกครองด้วยความเชื่อเดียวกันความศรัทธาเดียวกันยกย่องน้ำมศการพระเจ้าองค์เดียวกันนี่คือสาเหตุที่ทําให้เรามีมาตรฐานที่ว่าบรรดาผู้นําคริสตจักรนั้นจําเป็นที่จะต้องมีครอบครัวที่อยู่ในความเชื่อเดียวกันหลังจากนั้นก็จะคือคริสตจักรใหญ่ครับ พี่น้องครับพอเนะพระเจ้าชัดเจนมากครับว่าเราเองนั้นหลายหลยคนอาจจะแสดงความรักที่ปากของเขาแต่จิตใจของเขาในการนับใช้ในการทํางานต่างๆนั้นไม่ได้รักพระเจ้ามากครับจิตใจนั้นยังมุ่งอยู่ที่ผลกำไรผลประโยชน์ของตัวเองนั่นแสดงว่าเขาโกหกครับ พี่น้องครับเอสเคียว e ท่านเรียกร้องและเสียงเรียกร้องของท่านยังอยู่ในหูของเราเขาแสดงความรักมากด้วยปากของเขาแต่จิตใจของเขานั้นมุ่งอยู่ที่ผลกําไรของเขานั่นคือสิ่งที่น่าเสียดายเสียใจเป็นอย่างยิ่งพี่น้องครับพวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้แม้ว่าจะสั้นสักหน่อยแต่ก็เตือนสติเราทั้งหลายมากมายครับให้เราพิจารณาตัวเองว่าเราอยู่ ในลำดับความสำคัญที่เท่าไรและทําไมเราอยู่ตรงนั้นและตรงตามพระวจนะของพระเจ้าหรือไม่อย่างไรเพียงครับพระเจ้ามาเป็นที่หนึ่งจริงหรือเปล่าครับเมื่อพระเจ้าต้องการเรียกร้องให้เราที่จะเป็นผู้ทีรับใช้พระเจ้าเรายอมไหมครับเมื่อพระเจ้าเรียกร้องให้เราทำหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อพระองค์เรายอมไหมครับ เรายินดีที่จะเข้าใกล้พระองค์ด้วยการอาธิษฐานอ่านพระวจนะของพระเจ้าด้วยการรับใช้เป็นพยานประกาศข่าวประเสริฐเรายอมไหมครับหรือว่าเราเห็นแก่ประโยชน์ของตัวเองหรือบางครั้งนั้นเรามีผลประโยชน์ทับซ้อนที่ทําให้เราเองนั้นเบี่ยงเบนจากมาตรฐานอันสมบูรณ์แบบขององค์พระผู้เป็นเจ้าของเราขอพระเจ้าเสริมกําลังพี่น้องทุกท่านอาเมน